ก้าวสิบเจ็ดนิตำสันธานสี่คุณยุ่งปัจจุเขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ซท v วีต เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วฮันบลีถึงแม้จะเป็ a ช่ e งดเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วฮันคโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับท v วี ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาทั้งๆที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วเซลล์มเว r นั้งนั่ง e ี่เขาเมาเขาขี่จักรยานทั้งทังที่เขาเมาเขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็วทางเป็นกลับที่เขาก็ยังขี่จักรยานทเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานที่เขาม้าแต่เาก็ย่จักาน ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยเธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม เธอจบมาหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ har er ดเธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถอแต่เธอก็งด Likevel k ลช็ e ปปิ้งรถ